เมื่อลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจให้มีสติรู้ไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบทําตามความโกรธความโลภความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยการมีสติรู้ทันและไม่ทําตามที่เวลาเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำงานด้วกันเนี่ยบางทีมันหงุดหงิด ม, ม, มันโกรธเมื่อโกรธให้มีสติรู้ว่าออดิโกรธแหละอย่าเพิ่งทําตามนะอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปทาําครับ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 มันเป็นการปรับใจเราให้ยอมรับให้รักอะไรก็ตามที่เรารักเนี่ยเราจะขยันไปหาใช่ไหมเรารักสาวคนแดงคนหนึ่งก็ตามในโอลจะไปหาเช้าหาเย็นเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นผ้าตากไว้ก็ยังดีทาไมเราจรึงขยันได้แต่ถ้าเรารักงานรักชีวิตเราแบบนั้นแล้วก็เราจะกระตือร้นจะขยันเราจะรักได้ยังไงเมื่อเราจะให้เกิดความรักในจิตใจนั้นต้องดูว่างานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราแค่ไหน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 สัมการที่รายจ่ายแล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรากินยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือจโจรพ้นทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติดการเที่ยวเตะให้หานันหมดไปเลยนะแล้วเราเงินหมดแล้วเราท้อแท้หมดกาลังใจไม่อยากทํากาน น่าระวังให้ดีย่าใ้พวนี้มาปร้นเงินจากตัวเราไปต้องรู้จักควบคุมถ้าไรายได้ไม่เพียงพอก็ทำไรายได้พิเศษหาราได้พิเศษนะทํางานนอกเวลานี่ก็เป็นการเพิ่มไรายได้รู้จักหาต้องรู้จักเก็บรักษาเหมือนตะเกียบคู่หนึ่งอ่ะตะเกียบอันเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์แหละถ้าสองอันคู่แล้วก็จะมีประโยชน์มากมันหนีบได้กินได้ด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าการหา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 เพราะไม่มีประสบการณ์จึงอ่อนแอนนั้ชีวิตที่มีความลําบากแต่เราไม่ท้อแท้ความลาบากฝ่าฟันไปเนี่ยจะเป็นวิธีแข็งแกร่งไมื่ง ก, กับเหล็กที่ผ่านไฟไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กกล้าได้ฉันใดคนที่มีความเข้มแข็งเมื่อเจอความลําบากและก็ฝ่าฟันไปได้จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าฉันนะั้น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 เป็นคนที่ชอบให้ให้เวลาให้โอกาสให้ท็อฟฟี่หนึ่งเม็ดกับเพื่อนของเราเนี่ยก็ถ้าเรามีน้ำใจแล้วนะบางทีเครียดกับงา น, นไม่เท่าไหร่นะแต่เครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยางทีมันหนักกว่าวิธีการลดความเครียดกับเพื่อนร่วมงานคือต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาแม้เขาไม่เข้าใจเรารู้จักให้จิตที่คิดจะให้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 รีบที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเราก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขเพียงแต่พูดคุยว่าอ๋อดีแล้วเหมาะสมแล้วที่คุณได้รางวัลเหมาะสมแล้วที่คุณประสบผลสเร็จเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณลาบากมากเหมาะแล้วเห็นแสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจด้วยเราก็ใจดีเพื่อนก็ใจดีอันนี้ถือว่าเป็นน้าใจ เราเคยไหมมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่อาตายาเราเนี่ยเวลาท่านไปวัดท่านกลับมาเนี่ยมีคนบอกว่าอนุโมทนานะอนุโมทนาเห็นไ่มคําว่าอนุโมทนานเนี่ยคือการแสดงความยินดี<ข>คน <granny S 2> ที่อนุโมทนาโดยที่ไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยก็ได้บุญคนที่ไปวัดก็ได้บุญแต่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องลองทุนอะไรเลยเพียงแต่แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญ